4. สมนุภาสนาสมุทฐาน261เพทะสิกขาบทว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกันอนุวัตตะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุผู้ประพฤติตามกล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ทุพะจะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเป็นคนว่ายาก ทสะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลทุตถุละสิกขาบทว่าด้วยการปกปิดอาบัติชั่วหยากทิฏฐิสิกขาบทว่าด้วยการไม่ยอมสละทิฏฐิฉันทะสิกขาบทว่าด้วยการไม่ให้ฉันทะแล้วไปเสียอุดชักขิกะสิกขาบท ว่าด้วยการหัวเราะดังในบ้านสองสิกขาบทสัทธะสิกขาบทว่าด้วยการพูดเสียงเบาในบ้านสองสิกขาบทนพยาหะระสิกขาบทว่าด้วยการไม่พูดขณะมีคำข้าวอยู่ในปากฉะมาสิกขาบทว่าด้วยภิกษุนั่งที่พื้น จักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งบน อ, นอนน Smooth. าสนะนีจาสนะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุนั่งบนอาสนะต่ำจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งบนอาสนะสูงฐานะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุยืนอยู่จักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ ปัจชโตสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเดินอยู่ข้างหลังจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินไปข้างหน้าอุ ป, ปเทนะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเดินไปนอกทางจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินไปในทางวัชชะสิกขาบท ว่าด้วยการปกปิดโทษอนุวัติสิกขาบทว่าด้วยการประพฤติตามภิกษุที่ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมคหาหนะสิกขาบทว่าด้วยการยินดีการจับมือของชายเป็นต้นโอสาเรสิกขาบทว่าด้วยการเรียกภิกษุณีที่ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเข้าหมู่ ปัจจาจิกนาสิกขาบทว่าด้วยการบอกคืนพระรัตนไตรกัสมิงสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์หนึ่งสังสัทธาสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีกับภิกษุณีอยู่คลุกคลีกันวทิสิกขาบท ว่าด้วยการร้องให้ทุบตีตนเองวิสิภะสิกขาบทว่าด้วยการเลาะจีวรแล้วไม่เย็บทุกขิตาสิกขาบทว่าด้วยการไม่ใส่ใจดูแลเพื่อนภิกษุณีปุณณะสังสัทถาสิกขาบทว่าด้วยการอยู่คลุกคลีกับขรือหัด วูปะสมะสิกขาบทว่าด้วยการไม่ช่วยระงับอธิกรณ์อารามสิกขาบทว่าด้วยการเข้าอารามโดยไม่บอกปวารณาสิกขาบทว่าด้วยการไม่ปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายอนวัตทะมาสะสิกขาบท ว่าด้วยพึงหวังทำสองอย่างทุกกึ่งเดือนสหชีวินีสิกขาบทว่าด้วยการไม่อนุเคราะห์สหชีวินีตลอดสองปีจีวรสิกขาบทว่าด้วยการบอกสิกขมานาให้ถวายจีวรแล้วไม่บวชให้อนุพันธนาสิกขาบท ว่าด้วยการบอกสิกขานาให้ติดตามตลอดสองปีแล้วไม่บวชให้ธรรมคือสิกขาบทเหล่านี้รวมสามสิบเจ็ดสิกขาบทเกิดทางกายวาจากับจิตทุกสิกขาบทมีสมุดฐานอันหนึ่งเหมือนสมนุภาสนะสิกขาบทสมนุภาสนาสมุดฐานจบ